ซื้อเสียงวิธีชนะมิตรและจูงใจคนจากหนังสือวิธีชนะมิตรและจูงใจคนของเดวคาเนกี้แปลโดยอาสาขอจิตเมตรให้เสียงอ่านภาษาไทยโดยสราวุฒชัยดีตอนที่4วิธีปฏิบัติ9ประการเพื่อเปลี่ยนแปลงผู้อื่นโดยไม่ให้มีความรู้สึกบาดหมางหรือก่อให้เกิดความรู้สึกขุ่นเคืองวงเล็บเปิดต่อวงเล็บปิดบทที่7จงตั้งชื่อมาให้เพราะ เพื่อนหญิงของข้าพเจ้าผู้หนึ่งนางเออร์เนสตเยนเลขที่175ถนนบรูสเตอร์เมืองสกาสเเดลรัฐนิวยอร์กได้ว่าจ้างสาวใช้คนหนึ่งโดยตกลงให้มาทำงานตั้งแต่วันจันสัปดาห์หน้าในระหว่างสาวใช้ผู้นี้ยังไม่มาทำงานนางเยนจึงโทรศัพท์ถามหญิงนายจ้างเก่าคำตอบที่ได้รับไม่สู้จะดีนักครั้นเมื่อสาวใช้ผู้นี้เริ่มมาทางานตามกาหนดนางเยนพูดกับหล่อน เนลลี ie, เมื่อวันก่อนฉันโทรศัพท์ถามนายจ้างเก่าของเธอเขาบอกฉันว่าเธอเป็นคนซื่อและไว้วางใจได้ทําครัวเก่งและเลี้ยงเด็กก็เอาใจใสด่ดีแต่เขาว่ามีข้อเสียอยู่บางอย่างคือเธอไม่ค่อยจะรักษาความสะอาดและไม่ดูแลบ้านให้เรียบร้อยเดี๋ยวนี้ฉันพอจะเข้าใจได้ว่าแม่คนนั้นแกโกหกฉันเสียมากกว่าเพราะเธอแต่งตัวหมดจดใครๆพอเห็นเธอเข้า ก็จะรู้ว่าเธอเป็นคนอย่างไรฉันกล้าท้าพนันด้วยว่าเธอจะต้องดูบ้านสะอาดและเรียบร้อยเหมือนกันแต่งตัวของเธอเธอและฉันคงจะอยู่ด้วยกันอย่างถูกอกถูกใจต่อกันเป็นแน่นางเยนและลูกจ้างคนนี้อยู่กันอย่างถูกอกถูกใจต่อกันจริงๆเนลลี่ถูกอุปโลกให้เป็นคนทํางานดีซึ่งหล่อนจะต้องรักษาชื่อเสียงของหล่อนไว้ด้วยการปฏิบัติงานตามที่หล่อนได้รับการยกย่องผลก็คือหล่อนดูแลบ้านเสียสะอาดหมดจด หลอนจะยินดีถูพื้นและปัดขี้ฝุ่นด้วยการทำงานเพิ่มเวลาอีกหนึ่งชั่วโมงแต่จะไม่ยอมให้ความนึกฝันในตัวหลอนของนางเยนเป็นสิ่งปราศจากความจริงมนุษย์เราตามปกติธรรมดาเซมมียนโลเควนประธานของบริษัทบอนวินโลโคโมตีฟเวิร์กกล่าวจะจูงได้อย่างง่ายดายถ้าเขานับถือท่านและท่านแสดงความเลื่อมใสต่อความสามารถบางประการของเขา ขอกล่าวอย่างย่อๆถ้าท่านต้องการให้บุคคลใดกระทำอย่างดีขึ้นกว่าเก่าจะแท้งทำเหมือนหนึ่งว่าเขามีคุณสมบัติเด่นพิเศษนั้นอยู่แล้วเชคสเปียร์กล่าวจงสมมติว่าท่านมีความดีถ้าหากว่าท่านไม่มีมันอยู่เลยและท่านอาจจะสมมติอีกฝ่ายหนึ่งด้วยการพูดอย่างตรงไปตรงมาว่าเขามีคุณความดี ถ้าท่านต้องการให้เขาเป็นคนดีขึ้นจงอุปโลกให้เขาเป็นคนดีซึ่งเขาจะต้องพยายามอย่างสุดกำลังที่จะปฏิบัติให้เป็นไปตามคำพูดของท่านยิ่งกว่าจะทําให้ท่านได้ประสบพบเห็นความไม่ดีของเขายอแยตเลฟลังเขียนไว้ในหนังสือของหล่อนชื่อที่ระลึกชีวิตของข้าพเจ้ากับมาสเตอร์ลิงได้บรรยายอย่างน่าสนใจถึงการเปลี่ยนรูปของหญิงสาวชาวเบลเยียมผู้มอมแมมจนกลายเป็นซินเดอเรล่า หญิงคนใช้จากโรงแรมใกล้ๆบ้านที่ข้าพเจ้าเช่าพักเป็นผู้ทำหน้าที่เสิร์ฟอาหารให้ข้าพเจ้าหล่อนเขียนตอนหนึ่งหญิงคนนี้มีสมญาว่ามารีคนล้างชามเนื่องจากหล่อนเริ่มทำงานที่โรงแรมนี้ในหน้าที่ลูกมือคนล้างชามหล่อนเป็นคนที่ริ้วตาเละขาโคง้งร่างกายผ่ายผอมและจิตใจอ่อนแอวันหนึ่งขณะหล่อนถือจานมักกะโรนีมาให้ข้าพเจ้าด้วยมือสวมถุงสีแดงข้าพเจ้าพูดกับหล่อนโดยไม่ได้จุดหมายอะไร มารีเธอไม่รู้ตัวเลยว่าเธอมีขุมทรัพย์อะไรอยู่ในตัวของเธอบ้างจากความเคยชินต่อการรู้จักระงับอารมณ์ของตนมารีนิ่งอยู่ขณะหนึ่งโดยไม่กล้าที่จะแสดงอากัปกิริยาผิดปกติอย่างใดเนื่องจากกลัวว่าอาจจะพบกับผลร้ายเข้าก็ได้แต่ครั้นแล้วหล่อนวางจานลงบนโต๊ะถอนหายใจและพูดอย่างบริสุทธิ์ใจคุณนายดิฉันแทบจะไม่เชื่อเลยว่ามันเป็นความจริง หล่อนไม่ได้แสดงกิริยาสงสัยหรือไต่าถามหากกลับไปที่ห้องครัวและกล่าวทวนคำพูดของข้าพเจ้าซึ่งการทำเช่นนี้กลายเป็นพลังสำคัญมาบันดาลให้หล่อนเกิดความเชื่อมั่นว่าจะไม่มีใครเรียกหล่อนด้วยสมญานามเป็นการล้อเลียนต่อไปอีกแล้วจากวันนั้นเป็นต้นมาหล่อนคิดแล้วคิดอีกด้วยใจจดใจจ่ออยู่กับเรื่องนี้ แต่สิ่งเปลี่ยนแปลงอันน่าพิศวงที่สุดปรากฏขึ้นแก่มารีผู้มอมแมมก็คือตัวของหลอนเองด้วยความเชื่อมั่นว่าหลอนได้กลายเป็นมนุษย์ที่มีสิ่งมหัศจรรย์ซ่อนอยู่ในร่างกายหลอนเริ่มเอาใจใส่และพิธีพิถันกับการแต่งหน้าและการแต่งตัวผลก็คือร่างอันผ่ายอมของหลอนดูเปล่งปลั่งขึ้นและซ่อนความขี้เหรของหลอนไว้เสียมิชิด ต่อมาอีกสองเดือนขณะข้าพเจ้ากําลังจะเดินทางลาจากสถานีนี้หลอนบอกข้าพเจ้าว่าหลอนจะแต่งงานกับหลานชายของหัวหน้าพ่อครัวดิฉันจะเป็นหญิงที่มีคนรับหน้าถือตาด้วยค่ะหลอนพูดและขอบคุณข้าพเจ้านั่นก็คือคําพูดเพียงไม่กี่คําของข้าพเจ้าสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของหลอนโดยสิ้นเชิงยอแย้ดเลิบหลัง เป็นผู้ทำให้มารีคนล้างชามเกิดความรู้สึกที่จะยึดถือในสิ่งที่ได้อุปโลกขึ้นและสิ่งที่อุปโลกขึ้นนั่นเองได้เปลี่ยนรูปชีวิตของหลอนเฮนรี่เดลริสเนอร์ใช้เทคนิคอย่างเดียวกันเมื่อเขาประสงค์จะเปลี่ยนนิสัยทหารอเมริกันในประเทศฝรั่งเศสวงและเปิดเมื่อสงครามโลกครั้งที่หนึ่งวงและปิดพลเอกเยมยีฮาเบิร์ดแม่ทัพอเมริกันลือนามที่สุดคนหนึ่งบอกริสเนอร์ ถึงความคิดเห็นของเขาต่อทหารบกอเมริกันสองล้านคนในประเทศฝรั่งเศสว่าเป็นทหารที่แต่งตัวสะอาดเรียบร้อยที่สุดและสําหรับระเบียบวินัยนับว่าเป็นแบบอย่างอันดีเลิศเท่าที่เคยอ่านพบในหนังสือหรือเท่าที่เขาเคยรู้จักทหารของชาติใดมาแล้วเป็นการชมเชยอย่างฟุ่มเฟือยกระมังอาจจะเป็นได้แต่ท่านจงดูว่าริสเนอร์นําเอาคําพูดนี้ไปใช้ประโยชน์อย่างไรบ้างข้าพเจ้าจึงบอกทหารเหล่านั้นว่า ท่านนายพลได้ชมเขาว่าอย่างไรริสเนอร์เขียนบรรยายข้าพเจ้าไม่เคยถามทหารเลยแม้แต่ครั้งเดียวว่าคำพูดของนายพลฮาเบิร์ตเป็นความจริงหรือไม่แต่ข้าพเจ้ารู้ดีว่าแม้จะไม่เป็นดังกล่าวอย่างไรเสียการรับรู้ความคิดเห็นของนายพลต่อทหารทั้งหลายจะเป็นเครื่องสกิดใจเขาเหล่านั้นให้พยายามบำเพ็ญตนเข้าสู่มาตรฐานนั้นสุภาษิตโบราณมีว่าตั้งชื่อหมาด้วยชื่อเร็เวๆเปรียบเหมือน ท่านได้แขวนคอมันแต่ถ้าตั้งชื่อให้มันเพราะๆท่านจะคอยดูผลบ้างสิว่าเป็นอย่างไรบ้างมนุษย์เกือบทุกคนเศรษฐีคนจนขอทานพวกโจรต่างชอบยึดถือการถูกอุปโลกว่าเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตซึ่งมีผู้ยกย่องเขาด้วยกันทั้งนั้น ถ้าท่านจะต้องติดต่อกับคนขี้ช่อคดโกงพัะสดีลอแห่งคุกสิงสิงกล่าวซึ่งท่านพระสดีคงจะรู้ดีว่าเขาพูดถึงอะไรถ้าท่านจะต้องติดต่อกับคนขี้ช่อคดโกงมีทางเหมาะสมอยู่ทางเดียวเท่านั้นที่จะเปลี่ยนแปลงเขาให้ทำตนเป็นคนดีคือปฏิบัติต่อเขาประหนึ่งเขาเป็นสุภาพชนผู้มีเกียรติจงทึกทักเอาว่าเขาเป็นคนอยู่ในระดับปกติธรรมดาเหมือนมนุษย์อื่นทั้งหลาย การปฏิบัติต่อเขาเช่นนี้จะทำให้เขาอิ่มใจซึ่งเขาจะแสดงกิริยาตอบโดยทำตนให้เป็นไปตามที่เขาได้รับการยกย่องและเขาจะรู้สึกภูมิใจที่มีผู้ไว้วางใจเขาเป็นวาทะที่สวยงามและมีความหมายซึ้งซึ่งข้าพเจ้าจะข อ, อกล่าวย้ำอีกครั้งหนึ่ง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 ดังนั้นถ้าท่านต้องการจูงนิสัยผู้อื่นโดยปราศจากการก่อให้เกิดความรู้สึกขุนเคืองหรือไม่ให้มีความรู้สึกบาดหมางจงจำกฎที่เจ็ดซึ่งมีดังนี้จงอุปโลกผู้อื่นในสิ่งดีงามเพื่อเขาจะได้เป็นไปตามนั้น